วันนึงนะครูพานักเรียนซึ่งเป็นเด็กประถมเนี่ยทั้งชั้นเลยไปที่ห้องประชุมนะซึ่งโล่งนะไม่มีเก้าอี้แต่ว่ามีลูกโป่งนะหลากสีเลยครูก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ปะติดไว้กับลูกโป่งนะให้เลือกมาคนละหนึ่งใบ แล้วก็เขียนชื่อลงไปของตัวเองเนี่ยติดลงไปที่ลูกโป่งเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ที่เดิมนะกลางห้องประชุมนักเรียนก็มีทั้งหมดประมาณนี้50 60คนนะลูกโปรงก็เลยกว่าเกือบจะเต็มห้องประชุมเลยทันทีแรกเด็กก็งงนะว่าครูจะให้ทำอะไรสักพักครูบอกว่าเนี่ยให้ทุกคน ไปตามหาลูกโป่งที่มีชื่อของตัวเองติดอยู่เท่า น, นี้แหละนะโกลาห์นเลยนะนึกภาพเด็กห้าสิบหกสิบคนนี่ไปควานหาลูกโป่งที่มีชื่อของตัวเองนะมันจะโกราห์หนแค่ไหนครูให้เวลาห้านาทีปรากฏว่าครบหมดเวลาแล้วก็มีเด็กไม่กี่คนนะที่หาลูกโป่งของตัวเองเจอ คร น, นี้ครูให้คำสั่งใหม่นะให้นักเรียนเนี่ยเอาลูกป่งที่อยู่ข้างหน้าตัวเองเนี่ยและไปมอบให้กับเพื่อนลูกป่งที่ได้มาเนี่ยมีชื่อเพื่อนคนไหนติดอยู่ก็เอาไปให้คนนั้นแหละให้เวลาห้านาทีบอกว่าไม่ถึงห้านาทีเลยเด็กทุกคนก็ได้รับลูกโปง่ง ที่มีชื่อของตัวเองติดอยู่ครูก็เลยถามนักเรียนว่าเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกนี่ให้นักเรียนหาลูกโป่งของตัวเองนี่โอ้ยกลัวหลาหนมากแต่ครั้งที่สองเนี่ยเอาลูกโป่งของเพื่อนไปให้เจ้าตัวสุดท้ายไม่นานไม่ถึงห้าสีตัวเองก็ได้รับลูกโป่ง ที่มีชื่อตัวเองติดอยู่ครูก็เลยสอนว่าเนี่ยลูกโปองนี่ก็มากับความสุขของคนเรานะคนเราถ้าจะไปเอาแต่หาความสุขใส่ตัวหรือหาความสุขของตัวเองเนี่ยมันยากแต่ถ้าเรามอบความสุขให้กับผู้อื่นหรือนึกถึงความสุขของผู้อื่นสุดท้าย ความสุขก็จะกลับมาสู่เราสุดท้ายแล้วก็พร้อมมีความสุขด้วยนะอันนี้เป็นการสอนวิชาชีวิตที่สําคัญมากนะสำหรับเด็กซึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะทุกวันนี้คนเราเนี่ยคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองคิดแต่จะหาความสุขใส่ตัวดิ้นหลนขนไคว่ที่จะหาความสุขมาให้ตัวเองแต่สุดท้ายก็ กลับไม่เจอความสุขมีแต่ความทุกข์เพราะว่าต่างคนต่างก็แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันนะเหมือนกับเด็กที่สารวจนหารูปปองที่มีชื่อตัวเองแต่ถ้าคนเราเนี่ยคิดถึงความสุขของผู้อื่นแล้วก็พยายามมอบความสุขให้กับผู้อื่นสุดท้ายความสุขก็จะเป็นของเรากิจกรรมนี้ยัง แต่ว่าไปมันก็สอนให้เราเห็นนะว่าถ้าเราช่วยผู้อื่นสุดท้ายเราเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยหรือผูพยานนั่นคือว่าการช่วยเขาก็คือการช่วยตัวเราเองนะอันนี้มันขัดกับสามัญสำนึกทั่วๆไปหรือคําสอนทั่วๆไปนะที่บอกว่าถ้าเราช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่นะเราก็เสียเปรียบมากเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วเนี่ยการช่วยผู้อื่นนั่นแหละนะที่กลับกลายเป็นการช่วยตัวเราเองอันนี้คล้ายๆกับนิทานเรื่องหนึ่งนะชายคนหนึ่งเนี่ย mm hmm. เกิดหมดลมหัวใจหยุดเต้นม า, มาพบอีกทีก็เจอยมพยบาลยมพยบาลก็พาไปห้องประชุม แห่งหนึ่งนะมีโต๊ะอาหารขนาดใหญ่เลยนะแล้วมีคนนั่งล้อมโตะนั้นบนโต๊ะนี้ก็มีอาหารนานาชนิดเลยทั้งไทยฝรั่งจีนนะเรียกว่าพรั่งพร้อมบริบูรณ์นะทั้งไก่ย่างปลาหูฉลามต้มยำแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าสารพัดหมูย่างหมูกระทะ ของหวานผลไม้แต่ก็สังเกตว่าชายคนน้สังเกตว่าคนที่อยู่รอบโต้เนี่ยดูผอมนะดูท่าทางหิวโหยก็เลยถามโยมบารมีว่าที่นี่ที่ไหนยมบารมีบอกนรกไงชายนนั้นก็แปลกใจทำไมนรกจึงมีอาหารพังพอมบริบูรณ์แล้วก็สังเกตนะอีกอย่างหนึ่งคือว่าบนโต้เนี่ยนะ ช้อนของแต่ละคนเนี่ยต้องซ่อมด้วยยาวเป็นเมตรเลยช้อนปกติมันก็แค่ไม่กี่นิ้ววะนะแต่ว่าบนโต๊ะสถานที่อย่างนี้เนี่ยช้อนซ่อมนี่ยาวเป็นเมตรเลยสามฟุตได้ตะเกียบก็เหมือนกันก็ยาวเลยสงสัย สักพักอยู่มาบางบอกอา้าวบอกคนที่อยู่ในโต๊ะบนที่อในห้องประชุมว่าในห้องอาหารมากินข้าวได้แล้วกินอาหารได้แล้วบอกว่าแต่ละคนนี่กระเสือกกระสนดิ้นหลนมากนะเพราะว่าช้อนนี่มันยาวตักใส่ตักอาหารใส่ปา น, นี่มันยากเหลือเกินนะไม่ว่าช้อนซ่อมตะเกียบอาหารอร่อยนะระนี วิลิสมารายไงเนี่ยบากว่าตักใส่ปากนี่ไม่ได้เลยชาวนั้นก็เลยรู้แล้วโอ้ที่ที่ผอมแห้งหน้าตาซูบซีตเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะตักอาหารใส่ปากของตัวเองได้ก็เลยเข้าใจเลยนะว่าทำไมสถานที่นี้ที่แห่งนี้คือนรกด้วยความสงสัย ชายนี่ก็ถามโยมบาบาวว่ารัศวรเป็นยังไงอ่ะพาไปดูเดีได้ไหมโยมบาบาวก็บอกสวรรค์ก็เหมือนแบบนี้แหละไม่ได้ผิดเพี้ยนกันเลยอ้าวแล้วมันจะเป็นสวรรค์ได้ยังไงโยมบาบาก็เลยพาไปที่สวรรค์ก็เห็นอย่างที่โยมบาบาลว่านะโตะ้ยาว มีอาหารพรั่งพร้อมบริบูรณ์ที่สำคัญคือว่าช้อนซอมตะเกียบก็ยาวเป็นเมตรเหมือนกันแต่แปลกใจนะคนที่รอบโตนี่เรียกว่าสมบูรณ์เลยนะไม่มีวิแววของความหิวโหยก็เลยแปลกใจว่ามันเป็นสวรรค์ได้ยังไง พอยมบามบอกว่าบอกคนในห้องอาหารเอากินข้าวได้แล้วเพราะว่าแต่ละคนนี่หยิบช้อนหยิบซ่อมหรือตะเกียบตักอาหารไม่ได้ใส่ปากตัวเองนะแต่ป้อนอาหารให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามต่างคนต่างก็ช่วยป้อนอาหารให้กักนละกัน บอกว่าก็เลยอิ่มน้ำสำราญชายคนนี้ก็เลยเข้าใจเลยนะโอ้นรกกับสวรรค์มันต่างกันตรงนี้แหละนรกนี่มันคือที่ที่ผู้คนนี่คิดถึงแต่ตัวเองแต่สวรรค์นี่เป็นที่ที่ผู้คนเนี่ยช่วยเหลือกันแม้ช้อนจะยาวแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค ก็เพียงแต่ว่าป้อนใส่ปากของเพื่อนตรงข้ามนั้นแหละส่วนเพื่อนตรงข้ามก็เหมือนกันนะเขาก็ตักอาหารด้วยช้อนที่ยาวของตัวมาใส่ปากมาป้อนใส่ปากของอีกคนหนึ่งทุกคนก็เลยนะเรียกว่าอิ่มน้ําสําราญไม่ภายผอมนิ่าจารยเรื่องนี้มันก็สอนเหมือนกันเลยนะว่าให้การที่คนเราเนี่ยช่วยผู้อื่นเนี่ย สุดท้ายมันก็คือการช่วยตัวเราเองอันนี้ก็สอดคล้องกับพุทธภาษิต ท, ที่ว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมจะรับความสุขเนี่ยในโลกกับสวรรค์นี่มันไม่ได้ต่างกันตรงไหนสิ่งแวดล้อมนี่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือความมีน้ำหมุนน้ำใจหรือความเห็นแก่ตัวที่ใดมีความเมื่อเฟือมีน้ำใจมนตรีที่นั่นก็ เป็นเหมือนสวรรค์นะแม้ว่าจะมีสิ่งมีทรัพยากรน้อยไม่ได้พังพร้อมบริบูรณ์ <c oughs> แต่ก็เป็นสวรรค์ได้ทุกๆคนเนี่มีน้ำใจช่วยเหลือกันแต่ถ้าที่ใดเนี่ยนะผู้คนนี้แกตัวแม้จะพังพร้อมบริบูรณ์ที่นั่นก็เป็นนรกได้นะอย่างที่เบนี่นะก็เรียกว่าเป็นดินแดนที่ทุรกันดารมาก <c oughs> ปูกต้นไม้ก็แทาไม่ขึ้นแม้แต่หา้ายังไม่เคยขึ้นเลยแต่คนก็มีความสุขนะส่วนหนึ่งเพราะเขาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมีความสุขยิ่งกว่าสังคมสมัยใหม่หรือในเมืองที่พังพร้อมบริบูรณ์ด้วยวัตถุสิ่งเสพนะแต่ว่าคนนี่เครียดเป็นทุกข์กลัดกลุ้มใจไม่อยากอยู่อยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายกันนะเพราะว่า พอเราคิดถึงแต่ตัวเองแล้วเนี่ยสุดท้ายตัวเองก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรานึกถึงผู้อื่นมอบความสุขให้กับผู้อื่นสุดท้ายความสุขก็กลับมาสู่เราเนเหมือนกับที่ครูได้สอนนักเรียนนะด้วยกิจกรรมตามหาลูกโป่งเนี่ยนี่เป็นบทเรียนของวิชาชีวิตที่สำคัญที่เราไม่ควรจะลืมเลือนง่าย